อาบเจ้าพระภัยบุ์อาภีปุลโนจากวัดป่าดอนไหลโศกอำเภอดอนอานจังหวัดอุดรธ า, านีกรามาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งมาทําไมคือมาทุกวันก็ให้ฟังธรรมานันละ่ะเพราะว่าธรรมะนั้นยิ่งฟังยิ่งทำยิ่งแจ่มแจ้งยิ่งดีเพื่อให้ท่านฟังมีความเข้าใจเพราะว่าส่วนที่มันทำพิษภัยให้เกิดขึ้นมันมีได้คือคนที่เมาธรรมะ หลงธรรมะธรรมะเนี่ยดีดีนะท่าวบังจะทําความดับทุกข์เกิดขึ้นได้แต่ดีขนาดนี้ยังเอาไปเหมาได้เอาไปหลงได้เพราะว่าตัณหาเนี่ยมันติดได้ทุกที่ของดีๆอะไรมันก็ติดเหนิบได้หมดถ้าเราไปเพิ่มพลังตัณหาไปให้กําลังมันตรงนั้นแต่มันก็ติดกับของที่จะมาชําระมันได้เหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าเราเข้าใจธรรมะให้ถูกต้องไอความเข้าใจธรรมะตรงนั้นเนี่ยจะช่วยละช่วยแซช่วยล้างช่วยขูดลอกตัณหาออกไปได้ นะจึงต้องมาทําความเข้าใจให้แจ่มแจ้งกันว่าเอ๊ะด้านไหนละ่นะด้านไหนที่เราจะมองให้แจ่มแจ้งให้รู้ถึงเพื่อที่จะกําจัดส่วนที่ไม่ดีออกไปแตนะ่ส่วนดีกับส่วนไม่ดีมันมีแน่นอนส่วนที่ไม่ดีเราต้องละอะไรคือส่วนที่ไม่ดีนั่นคือสมุทยัยคือเรื่องของเหตุเกิดทุกข์เมื่อได้มีเหตุเกิดทุกข์เกิดขึ้นเราต้องละมันทันทีแต่สนะิ่งนั้นคือเรื่องของตัณหาอวิชชาพวกตัณหาวิชชาเนี่ยเราต้องออกไปจากใจของเราเราต้องละ ตัวในที่ต้องทําให้มากทำให้ดีทําให้มากทําให้ดีก็เรื่องของศีลสมาธิปัญญาเดีย๋ยวเรื่องของการทําความเข้าใจเหนะืยปัญญาในเรื่องที่ว่าเอ๊ะคุณจะต้องเข้าใจธรรมะให้ถูกต้องได้อย่างไรเพแปลมันจึงมีส่วนที่พระเจ้าได้เคยเตือนเอาไว้ว่ามันอาจจะเป็นงูพิษไดนะ้งูพิษของธรรมะมีอยู่แต่ความที่เข้าใจธรรมะไม่ถูกต้องแจ่มแจ้งแล้วเอาเนื้อความที่เข้าใจที่ไม่ถูกต้องแจ่มแจ้งเนี่ยไปล้มล้างที่อื่ในให้สิ้นไป ไปเถียงเข้าไปยกต้นข่มท่านนะไปชูคอระหงนะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลดำเกิดขึ้นทําให้แทนที่ความรู้นั้นจะเป็นประโยชน์ก็กลับกลายเป็นโทษจึงเป็นสิ่งที่ตัวข้าพเจ้าเองถ้าสมมว่าเรามาได้พูดถึงประเด็นประยัตที่ไม่เป็นงูพิษแล้วนวะ่าเข้าใจถูกแล้วจะทําความดีให้มันสมกับความที่ธรรมะมันดีเนี่ยให้เกิดขึ้นได้จึงมาพบกับทัมูมฟังและใช้เวลาสักหนึ่งวันในของแต่ละสัปดาห์ เราพูดถึงเรื่องของหมวดธรรมะใดสักหมวดธรรมะหนึ่งที่เมื่อทําความเข้าใจให้ดีให้แจ่มแจ้งแล้วจะได้ประโยชน์ถึงที่สุดในเรืนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของธรรมะสิข้อด้วยกันนะซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าคนที่เป็นกระบาดเนี่ยควรจะต้องละเว้นงดเว้นแตนะ่พระเจ้าได้ตรัสเรื่องนี้ไว้ในพระสูตรที่เรียกว่าสิงฆาละกัดสูตรแตนะ่ตอนนั้นพระเจ้าอยู่ที่วัดเวรุวันนะอันเป็นที่ ให้เหยื่อแกกระแตแตนะ่ใครให้ก็พระเจ้าพิมพิสารจะมาให้เหยื่อแก่กระแตในบริเวณนั้นแตนะ่ต่อมาภายหลังมีพระาอุบัติขึ้นมาจำพรรษาที่เมืองราชกฤะดกพระเจ้าพิมพิสารก็ยกบริเวณนั้นนะให้เป็นวัดเวรุวันที่เคยเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตของพระเจ้าพิมพิสารในกรุงราชกฤะดึที่นั้นก็มีขรรเบดีคนหนึ่งที่ชื่อว่าสิงค์คารากะขรรเบดีบุตร ชื่อสิงขาละกะเป็นกระเบิดีคนหนึ่งบางั้นตื่นขึ้นมาก็ทํากิจกรรมแรงต่างๆของเขาไปตามเรื่องตามราวแล้วก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่เขามาถามพระเจ้าถึงเรื่องของทิศทั้ง6หกว่าในธรรมะในนี้เนี่ยเขามีการนอบน้ำเรื่องของทิศทั้ง6กันอย่างไรแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของทิศทั้งหกจำบังเพราะว่าที่ของทั้ง6เนี่ยเราก็พูดกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องทําความเข้าใจให้มันเข้าไปถึงสายเลือดเลยละ่ะ แตว่าเราต้องมีหน้าที่กับใครกับใครบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าจงยังไม่ได้พูดบ่อยๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญแต่คือเรื่องที่จะมาก่อนที่ทั้งหกตรงนี้แต่คือวิธีการที่เราจะปิดกั้นบาปทั้งหมด14คอคือคนที่จะทําความดีได้เนี่ยคือคนมันเป็นยังไงต้องฟังแต่ถ้าจิตเป็นแบบไหนมันจะไหลไปทางนั้นแต่ถ้าจิตเนี่ยมันมีกําลังของความชั่วอยู่มันก็จะไหลไปทางชั่วทางต่ำมันก็จะดูดกระแสของความชั่วความไม่ดีมา นะดูคนที่ไม่ดีไม่ดีคนที่เป็นแบบนี้แบบนี้มาถ้าจิตใจะเราดีเราสูงมันก็จะไหลไปทางสูงทางดีดูแต่คนที่ดีๆเข้ามานะดูกิจกรรมหรือว่าลักษณะชีวิตที่เป็นแบบนั้นขึ้นมาจึงเปเรื่องสำคัญว่าจิตของเราตอนนั้นเนี่ย ม, มันน้อมไปในทางไหนอย่างที่เขามีคำพูดกันนะว่าจิตเนี่ยจะน้อมไปในทางต่ำเสมอคือแน่นอนและจิตคนต่ามันก็จะน้อมไปในทางต่ำใช่แต่จิตคนสูงมันก็จะน้อมไปในทางสูง เดพระเจ้าเคยตรัสเอาไอย่างนี้บอกว่าคนชั่วเนี่ยทำความชั่วง่ายแล้วคนชั่วทําความดียากแต่คนดีเนี่ยทำความชั่วยากคนดีเนี่ยทำความดีง่ายตรงนี้จึงเป็นจุดที่ว่าเราจะไหลไปทางทางไหนแต่ประนั้นก่อนที่คุณจะทําความดีไม่ว่าจะเป็นความดีเรื่องอะไรก็ตามอ่ะโพชง7มาร์กแปดในที่นี้เดียวที่พระเจ้าพูดถึงนี้คือเรื่องของทิศทั้ง6แน่นอนทิศทั้ง6เป็นเรื่องของความดีนะรักษาพ่อแม่อย่างไร รักษาคนที่เรารักสามีภรรยาอย่างไรดูแลลูกอย่างไรลูกน้องอย่างไรมันเป็นความดีเป็นหน้าที่ที่ต้องทําต้องกระทําต้องสร้างให้เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่ต้องสร้างเพราะฉะนั้นจิตใจมันต้องไหลไปในทางที่ดีแต่เพะนั้นถ้าจะไหลไปในทางที่ดีต้องความชั่วอย่างมีดันั้นต้องปิดขั้นความชั่วพวกนี้ให้ได้ด้วยเพราะว่าความชั่วที่พูดถึง14อย่างที่กําลังจะพูดถึงต่อไปเนี่ยมันจะดึงเราไปในทางตา่ําถ้าดึงเราไปในทางต่ําแล้วมันจะทําความดีได้ยาก เดเราก็จะคิดว่าโอ้ที่ต้อง6ผู้ใดไม่รู้เรื่องทําไม่ได้เลยนะคำสอนผู้เจ้านี้มันมันยากก็เราก็ยังมีบาปอยู่นี่นะถ้าจิตใจยังมีความใฝ่ต่ําอยู่มันก็ทําความดียากตรงนั้นต้นนึงประเด็นไอ้เรื่องความบาปทั้งหมด14อย่างที่บอกว่าอย่าทําอย่าทาเนี่ยต้องละเว้นให้ได้ก่อนนะเพื่อที่จะให้จิตเนี่ยไม่ไหลไปทาง่างต่ำนะให้อีกเครื่องที่มันจะดึงเราลงต่ำเนี่ยมันมีกํำลังน้อยแตนะ่ถ้าเราพยายามที่จะละ ไอบาปกรรมชั่วความไม่ดีที่อยู่ในฉิกของเราเพื่อให้ไอกําลังที่มันชั่วไม่ดีเนี่ยมันมาดึงเราให้ต่ําลงได้น้อยลงแต่สร้างพยายามสร้างความดีความงามขึ้นเพื่อให้กําลังที่มันจะดึงไปในทางดีทางสูงดึงเราให้มันได้มากขึ้นเราจะไปได้มันจะกลายเป็นแบบธรรมชาติธรรมดาเนีไม่ได้ต้องฝืนอะไรมากไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเย็นเขินใจแต่เป็นเรื่องที่ทาได้ถ้าเข้าใจหลักการให้ถูกต้องเพราไอไอกรรมไม่ดีเนี่ยสิอย่ า, ยาง ที่พระเจ้าบอกว่าควรจะเลิกละในเพื่อที่จะทําจิตใจเราให้ดีได้และอย่างแรกก็คือเรื่องของกรรมกิเลสสประการนสิบสีอย่ า, ยางอย่างแรกคือกรรมกิเลสสประการคืออะไรนั่นก็คือศีลสีข้อนั่นเองนั่นก็คือการเจตที่เรามีเจตนานนในการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เจตนาในการเว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์เป ข, ของไม่ได้ให้เจตนาในการที่จะเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกรรม เจตนาที่จะเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จแา่ว่า4อย่างนี้แน่นอนเรื่องของศีลเปนเรื่องของเจตนาทางใจในเรื่องของในใจแต่ในที่เนี้หมายถึงทางกายด้วยทางวาจาด้วยคือนอกจากคุณจะตั้งใจแล้วคุณทำให้ได้ด้วยแต่ไม่ใช่ว่าตั้งใจเฉยๆแล้วก็ผิดอยู่เรื่อยไม่ได้แต่อันนี้ตั้งใจแล้วทําให้มันได้ด้วยซึ่งไอ้สอย่างเนี้ถามว่าไม่มีข้อที่5นะ ข้อทาก็คือเรื่องของการที่เว้นจากการดื่มสุรามีรายรอันนั้นเรายกไว้ก่อนแต่ว่าเอาขอ4ข้อนี้ถ้าท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะต้องมีงานเลี้ยงสังสรรค์บ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรตัวนี้ท่านผู้ายังไม่ได้พูดถึงข้อที่5เอาแค่4ข้อก่อน ต, ต้องเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการเตีอเอ๋ยวชาปนเจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการรมประพฤติผิดในการมที่นี้ก็คือหมายถึงการล่วงประญาผู้อื่นหรือว่าการที่ จะหาความสุขทางตาทางหูในลักษณะที่มันจะผิดจารีตใช่ไหมเราอยากได้สิ่งนี้เราไปขโมยเขามันก็จะเป็นข้ออธินาทานใช่ไหมก็เหมือนกันหรือว่าเราอยากไม่พอใจ ค, คนนี้เราไปฆ่าเขาทำร้ายเขาทำให้ตัวเราเองมีความสุขอันนี้ก็ไม่ดีซึ่งแล้วข้อที่4ก็คือเรื่องของการแกล้งก่าวเท็จรู้บอกไม่รู้เห็นบอกไม่เห็นไม่รู้บอกรู้ไม่เห็นบอกเห็นอันนี้ไม่ได้ไม่ดีไม่ควรทำเหลือสี่อย่างต้องล้างให้ขาดขาดเลย นะไม่ใช่แค่ตั้งใจแล้วทำไม่ได้นะตั้งใจแล้วทำไม่ได้ก็คือตั้งใจไม่ดีนั่นแหละ Literally. ตั้งใจไว้ไม่ดีแต่ตั้งใจแล้วทำให้ได้ตั้งใจให้ดีตั้งใจให้ดีแล้วเราจะทำได้เราจะควบคุมกายควบคุมกายไม่ให้ฆ่าไม่ให้ลักไม่ให้ประพฤติผิดในการมเราตั้งใจให้ดีแล้วเราจะควบคุมวาจาแม้พูดโกหกได้แต่บางทีมันอาจจะเผลอผิดพูดสอเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดกํมหยาบอันนี้คราสตจักจะไม่พูดถึงนะ เพราะว่าไม่ได้อยู่ในข้อนี้แต่ไม่ใช่หมายความว่าให้ไปทำละ่ะแต่คือก็ไม่ได้ห้ามตรงนี้แต่ไว้ห้ามตรงอื่นนะตรงนี้เราพูดถึงแค่ตรงนี้ก่อนนะเพื่อที่ให้ทําความเข้าใจว่าเอาเท่าไรจะทำข้ออื่นไม่ได้ขอสข้อนี้ให้มันเป็นพื้นฐานพื้นฐานเลยเนะี่ยทให้ได้ในะีสข้อศิ้นสข้อนี้ก่อนเนะี่นี่คือชุดที่1นะึ่นในกรรมกิเลส14อย่างนี่นี่คือสข้อแรกอีกสอย่างถัดมานี่ยก็เป็นเรื่องที่ละเอียดขึ้นไป แต่ผู e r ื่ได้พูดถึงกรรมอันลามกต่างๆที่ไม่ควรทำกรรมอันลามกต่างๆที่ไม่ควรทำปลาลบเหตุอะไรเราไม่ควรทำกรรมเป็นบาปด้วยอาศัยความรักด้วยอาศัยความชังด้วยอาศัยความกลัวหรือโดยอาศัยความหลงความรักความชังความกลัวความหลงเกิดขึ้นแก่ผู้ใดแล้วจะทำบาปเราควรจะต้องหยุดความรักความชังความกลัวความหลงนี้สีอย่างนี้ต้องหยุด นี่คือพูดถึงเหตุ4อย่างที่ลึกซึ้งขึ้นมาอีกเรื่องของศีลควบคุมกายด้วยควบคุมวาจาด้วยใจก็ระดับหนึ่งใช่ไหมทำให้ได้รักให้ขาดแล้วเอาละเอียดขึ้นม า, นาพยายามที่จะหยุดยั้งกระทํากรรมมันเป็นบาปที่เกิดจากความรักความชางังความกลัวความหลงซึ่งถ้าเราพยายามที่จะหยุด4อย่างนี้ได้ไเรื่องศีลที่เราพูดถึงว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่รุิดในการไม่แกล้งกล่าวเทศเนี่ยอัตโนมัติเลยตามฟังอัตโนมัติไม่ได้ต้องฝืนอะไรมาก เพราะว่าถ้าเราละความรักเรารักในสิ่งใดสิ่งหนึง่งเราอาจจะทำประพฤติผิดในกา ร, รล่วงประยาผู้อื่นแกรงกล่าวเท็จตั้งทั้งที่อยู่รู้ห ร, ester, หรือว่าขโมยของหรือว่าฆ่าสัตว์ได้เพราะความรักทำสี่อย่างนั้นได้แน่นอนเพราะความชังความชังก็ฆ่าคนได้ความชังก็ล่วงปริยาผู้อื่นได้ความชังก็ขโมยขอ ง, ของได้ความชังก็พูดโกหกได้เพราะความกลัวกลัวก็พูดโกหกได้เหมือนกัน ลกลัวก็ล่วงพรยาผู้อื่นได้เหมือนกันกลัวก็ฆ่าสัต ว, ลลไไไ ว, ว์ได้เหมือนกันความหลงล่ะหลงไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดแล้วก็ทําความชั่วอื่นๆได้เหมือนกันความรักความชังความกลัวความหลงเนี่ยนอกจากจะทําให้ผิดศีลแล้วไหนยังทําให้พูดวาจาผิดอย่างอื่นๆด้วยเช่นมิจฉาวาจาทั้งหลายแหล ะ, ะการพูดคําหยาบเนื่อเพราะชังโกรธมันเลยพูดไม่ดีอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ความชังความรักไหนจึงทำให้พูดเพ้อเจ้อ ก็มนะีความหลงก็ทําให้พูดยุยงให้แตกกันก็ได้นะมิจฉาวาจาสี่อย่างก็เกิดขึ้นได้จากเจ้าความรักความชังความกลัวความหลงนี้นะหรือแม้แต่ความคิดที่ไม่ดีแน่นอนไอ้เจ้า4อย่างเนี่ยบางทีเรารักทําให้มีความคิดต่างกาบางที่เราหลงทำไม่มีมิจฉาทิฏฐิบางที่เราชังทำให้มีความปยาบาดไนะอ้เจ้าอกุศลกรรมบุทั้ง10อย่างต่างกายวาจาใจสิอย่างมันเกิดขึ้นได้จากเจ้า ความรักความชังความกลัวความหลงนี้ในที่นี้พระเจ้าจึงบอกให้พยายามที่จะละสีอย่างที่อยู่ในใจทางกายเราปิดกัน้นวาจาปิดกัน้นกายให้อยู่ได้ในระดับหนึ่งเราทําได้แล้วก็ค่อยเลื่อนขั้นขึ้นมาในเรื่องของ4อย่างตงัวนี้เรื่องของความรักความชังความกลัวความหลงเนี่ยถ้ามีแล้วยศก็เสื่อมด้วยแต่พระเจ้าบอกว่าจะเป็นผู้ที่เสื่อมจากยศเหมือนกับดวงจันทร์ในเวลาข้างแรม แต่มันก็มืดลงมืดลงค่อยๆบรรเทาแสงลงความจําจริญ ก, ก็จะไม่มีแต่ลองลองดูอ่ะมีความรักมีความหลงมีความชังมีความกลัวในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเนี่ยผลก็จะไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาหน ง, งานการอะไรต่างๆก็จะไม่ค่อยราบรื่นหลัดนี้แต่ถ้าบอกว่าเราพยายามที่จะละความรักความชังความกลัวความหลงได้ผู้ชาก็ได้พูดถึงว่ายศก็จะ จเจริญแก่บุคคลผู้นั้นเหมือนกับดุจ ด, ดวงจันทร์ในวันข้างขึ้นก็จะค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นนั้นถ้าเราพยายามที่จะละความรักความชังความกลัวความหลงนนในใจของเร า, เายศธรรมนาศชื่อเสียงเกียรติยศความสุขความเจริญต่างๆก็จะค่อยเดินทางมาหาเราค่อยๆสว่างขึ้นแปดอย่างแล้วสี่ย่งแรกก็คือเรื่องของศีลสีข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพ ย, ไพย์ไม่ประุิลิดในการม ไม่แกล้งกลาวเท็จสียางถัดมาคือเรื่องที่อยู่ในใจคือความรักความชังความกลัวความหลงในความรักในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงความรักแบบรุ่มหลงในความรักชนิดที่ว่าเพลิดเพลินยินดีมัวเมาในความความรักในความหมายที่นี้ในความชังก็คือความไม่พอใจความโกรธความเกลียดนั่นแหละความกลัวก็คือเรากลัวเนี่ยเราแบบว่าเกรงเรากลัวต่อบุคคลนี้กลัวก็ด้วยอำนาจของโมหะแน่ก็จะมีความหลงอยู่สียางนี้ต้องละให้ได้ หลังจากนั้นพระเจ้าก็ได้พูดถึงอีก6อย่างหนึง่งหนักเรียกว่าทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์หกทางสอย่างแรกสอย่า ง, งที่2ควบคุมกายวาจาและใจหลังต่อมาเรื่องของโภคทัพย์มันก็ต้องเกี่ยวเพราะว่ากรวาสเนี่ยมันก็ต้องมีโภคทัพย์นะการดำรงชีวิตอยู่บางทีมีโภคทรัพย์ก็ทําให้ทุกอย่างราบรื่นได้ถ้าไม่มีโภคทัพย์บางอย่างมันก็ฝืดมเฟืองได้เพราะฉะนั้นจะทํายังไงล่ะ ไม่ให้มีความเสื่อมของโภคทรัพย์เกิดขึ้นพระเจ้าได้พูดถึงอบายมุกอบายมุกเนี่ยคือปากทางแห่งความเสื่อมมุกนี่คือทางปากทางอบายคือความเสื่อมความไม่ดีอบายมุกก็คือทางเสื่อมมีทั้งหมดกี่ทาง6ทางด้วยกันทางเสื่อมหกทางนี้ถ้าคุณเผลอเข้าไปนตะกมันก็จะพาค่อยๆต่าลงต่าลงต่าลงเหมือนเหวที่ค่อยๆชันลงชันลงจนทั้งบางทีมันขึ้นไม่ได้ หกอย่างคือการตามประกอบในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทด้วยของเมาคือสุราและเมลัยและสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีหลายอย่างหนึ่งในที่นี้ก็คือของเมาสุราเมไรเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการประนันแต่ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในที่นี้เราพูดถึงสุรามีไรของเมาในที่นี้เราพูดถึงการปนันเนื้อสองอย่างนี้เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือสุราเมไรของเมาและการปนัน อย่าไปทำเลยทำฝังนะไอ้อบายมุกที่เกิดจากการดื่มสุรามีอะไรเนี่ยนอกจากเสื่อมทรัพย์แล้วนะเหตุทะเลาะวิวาท ด, ด้วยเป็นบ่อกเกิดแห่งโรคเป็นเหตุเสียชื่อเสียงทำให้ไม่รู้จักรายเป็นเหตุทอนกำลังปัญญามีแต่ไม่ดีนะไอ้ดีมันอร่อยปากนิดเดียวนะคุยสนุกนิด น, ด น, ดนดหน่อยๆรสชาติก็ไม่ได้อร่อยอะไรมากด้วยขมด้วยบางคนบอกไม่ได้กินรสสุราหรอกแต่กินบรรยากาศ แต่บัร ญ, ญากามันความสุขทางตาทางหูแต่ไม่ได้จะเป็นสุขอะไรที่มันจะยั่งยืนถาวรเป็นสุขอะไรที่เราจะพึงได้เป็นทางเสงริมเพียงพอครับแต่สุขนั้นนิดนิดหน่อยๆนอย่นอะอาจจะมีก็ไม่ได้เถียงแต่ว่าโทษมันมหาสารในเหตุทอนกาลังปัญญาบก่คนอาจะคิดว่าดื่มสุราแล้วมันอาจจะทําให้แบบสมองพุ่งปรี๊ดไม่เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังบ่งคนอาจคิดว่าดื่มสุราแล้วทําให้อารมณ์ศิลปินออกไม่เป็นอย่างนั้นต่านู้ฟัง ผมอาจจะคิดว่าดื่มชุราแ้วทำใมีใจเข้าหานมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟั ง, งนะมันจะมีแต่การตลองวิวาทบอลเกิดแห่งโรคเสียชื่อเสียงไม่รู้จักละอายเฮต้อนกําลังปัญญาอย่าดืม่มอย่า ก, กินให้เลิกละอะ น, นี้เป็นอาบายะมุกนะคือถ้าดืม่มถ้ากินชนิดที่เรียกว่าเป็นเหตุให้เกิดความประมาทอ่ามันจะมีข้อหนึ่งนะที่พระเจ้าได้พูดถึงอยู่ในมงคลรสูตรที่พูดถึงว่ารู้จักสํารวมจากการดื่มน้ําเหมาอันนี้เรายกไว้ แต่ว่าถ้าเราดื่มมากเกินไปมันก็จะค่อยความประมาทมันจะคืบคลายมาทีละนิดละนิดละนิดหนะ่ะดื่มนิดๆห น, น, น่อยมันก็อาจจะว่าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็อาจจะไม่เป็นไรจริงๆก็ได้แต่ถ้าดื่มมากไปจนถึงความประมาทพระเจ้าจึงบอกในที่นี้เนี่ยว่ามันจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือความประมาทนี่มันจะเกิดขึ้นได้มันก็จะค่อยคืบคลายมาทีละนิดเหมือนมันเป็นเหว ล, ลาดไหลลื่นลงไปเนี่ยนะอาจไปนิดนึงอาจจะไม่ค่อยอะไรอาจจะแบบแค่เอียงๆไป ไปอีกนิดหนึ่งก็เอียงมากขึ้นเฮ้ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะแต่พอปุ๊บปบมันพัวไปเลยนะมันจะพลาดทีเดียวแต่ซนะึ่งการพนันก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันลักษณะของการพนันเนี่ยบางคนบอกเล่นหวยนิดนึงไม่เป็นไรแตนะ่ลงทุนเป็นงานลงทุนนะอันนั้นอาจจะยังไม่ประมาทมีสติอยู่แต่ถ้าเล่นไปเล่นไปเนี่ยมันเริ่มประมาทแตเพราะว่าโทษของการพนันเนี่ยนอกจากจะเสียทรัพย์แล้วนะคือผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปคนชนะก็ก่อเวร นะ่ะเจ้ามือถ้าชนะก็ก่อเวรลูกมือถ้าชนะก็ก่อเวร น, นะความเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบันคุณเห็นได้ทันทีจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามนะถ้อยคําของคนที่เล่นการพนันเนี่ยถ้าเล่นไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยคุณไปพูดที่ไหนก็ไม่ฟังคุณนะ่ะไปพูดในที่ประชุมเขาก็ฟังคุณไม่ขึ้นถ้าเขารู้ว่าคุณเป็นนักพนันนะเครดิตมันไม่มีคําพูดไม่มีน้ําหนักนะถูกเพื่อนถูกสามีภรรยาและมิ่นประมาทด้วยแล้วถ้าผู้ชายนะเล่นการพนันก็ไม่มีใครประสงค์ว่าจะแต่งงานด้วย ถ้าเราจะเห็นว่นนักพนันที่เขามีผู้หญิงสวยห้อมร้อมอันนั้นไม่ใช่ผู้หญิงใ น, นลักษณะที่จะมาเป็นคู่ชีวิตคู่ครองนะเขาจะไม่เรียกว่าภรรยาเขาจะเรียกว่านางคณิกานะคือหาความสุขชั่วคราวต้นนั่นเองซึ่งไอ้เจ้าโทษของการพนันนี่มันจะทําให้เราประมาทแล้วเราสังเกตดูได้ที่โต๊ะพนันต่างๆ ต, ตอนแรกก็นิดๆหน่อยๆนะพอชนะมันเริ่มมากขึ้นพอแพ้รู้สึกไม่ดีนะก่อเวรมันก็จะเป็นอย่างนี้ จะเป็นลักษณะที่ตั้งแห่งความประมาทเช่นเดียวกับการดื่มสุราม่ไรพวกนี้คือจะเป็นอบายมุกนะสองอย่างแล้วแนะอีกอย่างหนึ่งก็คือการไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนในเวลาที่มันนอกเวลาควรจะต้องพักผ่อนหลับนอนแต่นะไปเที่ยวกินเที่ยวเล่นตามตรอกซอกซอยก็เสียตังค์อีกไนะปนในชุมชนแห่งความเมาชุมชนแห่งความเมาก็หมายถึงว่ากลุ่มเพื่อนหมู่เพื่อนหรือว่าชุมชนที่เขาโม่เมากันอยู่ ตามเทกตามผับที่เขาแบบมัวเมาเต้นกันไม่รู้เรื่องรู้ราไม่รู้เวลาเช้าสายบ่ายเย็นมีแต่ความมัวเมาเกิดขึ้นเราอย่าไปอยู่ในที่นั้นเนี่ยเป็นทางเสื่อมเป็นโบกซับแล้วการที่มีเพื่อนชั่วการที่เป็นคนเกลคร้านในคนที่เป็นมิจฉุ่นเนี่ยมีเพื่อนชั่วนี่จะดูได้แต่บางทีมันชวนให้เราไปเป็นเล่นการพนันชวนให้เราไปเป็นมีความเจ้าชู้ชวนให้เราไปเป็นนักเลงสุราเดี๋ยวชวนให้เราลวงผู้อื่ในให้ของปลอม ชวนให้เราเป็นคนโกงซึ่งๆ่งหน้าหรือว่าชวนให้เป็นคนหัวม้ก็คือเที่ยวหาเรื่องทะเลาะเบาแบงแตนะ่ซึ่งเพื่อนชั่วเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่งกายชั่วนะอาจจะแต่งกายดีปลูกนิ้ท้ายใส่สูตรอย่างดีแต่ชวนให้โกงไงให้เส้นตรงนี้ให้โกงให้หรือว่ า, าชักชวนไปตีเขามีอาวุธสงครามพยายามที่จะกอ่อการร้ายทําความไม่ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนชั่วอย่าไปคบกับคนพวกนี้ขกบก่าคนพวกนี้มีแต่จะเสียเสียตังค์ด้วย เสียชื่อเสียงด้วยหลายอย่างนอกจากนี้นนเหตุที่ทำให้เป็นทางเสื่อมเป็นโปกรัพั์คือเรื่องของการขี้เกียจหลายบุคคลที่มีความเกียจคร้านจะ ท, ทำการทํางานก็โอ้เดี๋ยวยังเช้าอยู่ออาตอนนี้สายแล้วอย่าเพิ่งทาเลยเดี๋ยวก็อ้างว่าร้อนเดี๋ยวก็อ้างว่าน่าวเดี๋ยวก็อ้างว่าเช้าอยู่เย็นแล้วหิวกระหายแต่มีแต่ความอ้างมีข้ออ้างแตไมไม่อดทำนี่ก็บใหม่ทําอ้างอย่างนั้นถึงเวลาทํากับใหม่ทํา อ้างอย่างโน้นแล้วก็มีแต่การผัดเพี้ยนมีแต่การผลัดบอลประกันปรุ่งการงานก็ไม่เสร็จโบกซัพ์ก็ไม่เกิด6อย่างเหล่านี้ทัางหมงเป็นทางเสื่อมของโบกซับก็เรียกว่าปากทางเสื่อมอบายมุบคือเรื่องของการมีทำที่ตั้งอยู่ในความประมาทเ น, นือด้วยของเมาคือสุดายไม่มไรอันนี้ที่1นึ่งทำมันเป็นที่ตั้งของความประมาทอันที่2คือเรื่องการป น, นันอย่างที่3ก็คือการที่ไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน อย่างที่4คือการที่ไปอยู่ในชุมชนหรือกลุ่มคนที่เขามีความมัวเมากัน5คือการที่มีเพื่อนชั่วและ6คือการที่ประกอบอยู่ในความเกลียดกลัน6อย่างนี้เป็นปากตาแห่งความเสื่อมแต่ถ้าเราจมอยู่ใน6อย่างนี้หาเงินมาเท่าไหร่เนี่ยมันก็รั่วออกรั่วออกแต่พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับบึงน้ําแห่งหนึ่งมีทางเข้าอยู่แล้วก็มีทางน้ําออกด้วยปรากฏว่าทางน้ําออกเปิดเอาไว้ นี่ยก็คือไปใน6ทางนี้เนี่ยเป็นทางเสริมแบบบโคคทรัพย์เปิดเอาไว้แต่ทางน้ําเข้ามันอาจจะเข้ามาแต่เข้ามาเท่าไหร่มันก็ไหลออกหมดคุณอาจจะโชคดีถ้าคุณมีเข้ามากแต่ทางรั่วมันก็เยอะและเอารั่วไปใน6ทางนี้เนี่ยไม่ได้จะเกิดประโยชน์ด้วยซ้ํำนะซึ่งวิธีการใช้ใจ่ายทรัพย์เราจะค่อยพูดถึงไปนะว่าการจ่ายทรัพย์แบ่งจ่ายทรัพย์จะเป็นอย่างไรถึงเงินที่ออกเนี่ยจะมีความสุขคือเงินออกใน6ทางเนี่ยไม่ใช่เป็นทางที่จะสร้างความสุขให้ได้ แต่จะ เ, จ uh. เป็นทางสร้างความทุกข์คือคารวาสเนี่ยถ้ามีเงินมีทองแล้วมันจะมีความสุขอยู่สองตอนด้วยกันตรงที่ว่าตอนที่ได้มาเนี่ยก็ได้มีความสุขแล้วตอนหนึ่งตอนที่จ่ายไปมันก็จะมีความสุขด้วยตอนหนึ่งแต่ตอนที่เราจ่ายไปตอนเล่นการพนันเนี่ยคุณคิดว่าจะมีความสุขแต่มันหาความทุกข์มาให้ตอนที่คุณจ่ายไปตอนที่ซื้อเหล้าคุณคิดว่าจะมีความสุขแ ต, him, แต่มันกลับมีความทุกข์ให้เงินที่ออกไปตรนงนั้นไม่ได้จะเป็นความสุขแต่เป็นทางที่นํามาให้เสียทรัพย์ นะการเสียทรัพย์ไม่ได้นํามาเพื่อความสุขในตั้งหวังแต่การจ่ายไปนในซึ่งที่ดีจ่ายที่เหมาะสมที่พุทเจ้าสอนไว้อีกสี่อย่างหนึ่งนั่นจะพูดในโอกาสต่อไปหรอกนั่นจะนํามาซึ่งความสุขเช่นว่าเรารู้จักเลี้ยงมารดาบิดาเราให้เหมาะสมเรารู้จักเก็กบทรัพย์ไว้จ่ายทรัพย์เพื่อป้องกันอันตรายอันนี้จะนํามาซึ่งความสุขอยู่แต่ว่าถ้าเราจ่ายทรัพย์ไปซื้อเหล้านําไปเที่ยวเล่นกลางคืนนั่ไปการพนันไม่ได้เป็นความสุขตั้ฝัวังนั่เป็นความทุกข์เป็นทางเสื่อมทรัพย์ แตนะ่ถ้าเราป้องกัน6อย่างนี้ได้ก็เหมือนกับคนที่ปิดกั้นทางออกทางรั่วของเงินปิดกั้นทางรั่วไวนะ้เงินที่เข้ามามากกะตามน้อยก็ตามก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะตามบุญตามกุศลที่คุณสร้างไวนะ้ตามเรื่องของขาเข้าของเงินไปแล้วอันนี้ถ้าแบบว่าเรามีเงินมีทรัพย์สินตรงนี้นะค่อยๆแก้ไปแก้ได้เงินทองก็จะค่อยเพิ่มขึ้นแนะทั้งหมดหกนะอย่างนี้คือเรื่องของอใยมุกนะละให้ได้ สอย่างแรกคือเรื่องของศีลสีข้อละให้ได้4อย่างถัดมาคือเรื่องของความรักความชังความกลัวความหลงนะที่จะนํามาซึ่งบาปอกุศลธรรมเนี่ยเราก็พยายามละมันให้ได้ณนะเราละได้ทั้งหมดตรงนี้ก็14อย่างถ้าจิตใจขอเราละ14อย่างนี้ได้เราก็จะเป็นผู้ที่ไม่น้อมไปไม่น้อมไปในบาปอกุศล14อย่างนี้ แนะ่พอเราไม่น้อมไปในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลที่จะเกิดขึ้นชีพจรขงเรามันก็จะไหลไปในทางสูงทีนี้นะในขณะเดียวกันเราก็รักษาที่ของเราให้ดีนะรู้จักรักษามารดาบิดารู้จักทําหน้าที่ของเราเหยียดในการทําการงานก็ทําไปแนะั้วชีแจงของเราก็จะน้อมไปในทางที่สูงขึ้นดีขึ้นความชั่วเนี่ยมันจะเข้ามาได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและเข้ามาแล้วมันจะมาทรงอยู่ไว้ในใจของเรา พอามาทรงอยู่ในจิตของเราแล้วเราก็จะทําความชั่วนั้นออกมาทางกายทางวาจาหรือทางใจเนี่รุงแต่องออกมา3ทางนี้มันอาจจะเห็นเป็นเรื่องของการผิดศีลด้วยอาจจะเป็นเป็นเรื่องของการทําบาปกรรมต่างๆที่กระจากความรักความชังความกลัวความหลงอาจจะผันตัวออกมาเป็นเรื่องของอไยมุกในทั้งหมด6อย่า ง, างที่ว่าไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปิดกั้นทวนกระแสเนี่ยคือเราล็อกมันจากข้างนอกก่อนล็อกเรื่องของศีรแม่ทํา ล็อกเรื่องของบาปกรรมที่จะเกิดจากความรักความชังความกลัวความหลงล็อกเรื่องของอใยมุขที่มันจะออกไปนะพอมันออกทางนี้ไม่ได้อกุศลธรรมนะเพราะอกุศลธรรมมันออกทางนี้ไม่ได้มันก็จะถูกทวนก ร, กระแสมันก็จะถูกบี้มันก็จะถูกกาจัดออกไปนะการถูกกําจัดออกไปตรงเนี้จะทาให้จิตใจของเราสูงขึ้นได้และบางทีในตอนแรกเราฝืนเราเหมือนกับเข็นโคกขึ้นภูเขาเนะพื่อที่จะปิดตรงนี้ได้ปิดช่องทางทางออกของเจ้ากิเลส ปิดช่องทางทางออกของเจ้าบาปอกุศลทั้งหลายที่มันจะออกไปออกทางวาจาออกทางปากออกทางกายออกทางใจของเราปิดเอาไว้เดียวไม่ให้มันออกไม่ให้นำนั้นออกไปในทางอาบายมุขหกทางไม่ให้มันออกไปเป็นบาปอกุศลธรรมที่เกิดจากความรักความชังความกลัวความหลงไม่ให้มันออกไปเป็นลักษณะที่จะเป็นการฆ่าการรักการรู้ปิดเป็นในการการแกล้งกล่าวเท็จไม่ให้มันออกมันก็จะอัดอั้นตอนที่มีความอัดอั้นตัวนี้อาจจะมีการเสียสี อาจจะมีการฝืน่นอาจจะเป็นการที่ไม่ค่อยรู้สึกสบายบ้างยากบ้างอะไรบ้างตรงเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ทุกฟัง่งนะซึ่งมันเป็นลักษณะของการเสียดสีขูดเกลาลอกล้างชำระในะซึ่งตอนล้างชำระขูดรอกเนี่ยอาจจะเจ็บบ้างนะอาจจะเปียกบ้างอาจจะชื้นบ้างในะแต่พอออกไปแล้วนะแห้งแล้วดีแล้วมันก็แห้งสบายราบรื่นในะใจเราก็จะสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นไอบาปกรรม 16อย่างที่บูตรงนี้นะทำแล้วมันจะเป็นช่องทางที่เปิดออกนะให้ใจของเรามีช่องสําหรับที่จะใส่กุศลธรรมเข้าไปนะเพอะบาปมันไม่มีในใจแล้วะมันออกไปแล้วมันก็มีช่องให้ใส่สิ่งที่เป็นกุศลธรรมนะเราจะใส่โพชงก็ได้เราจะใส่มักแปะ ก, ก็ได้เราจะใส่เรื่องของศีลสมาธิได้เราจะใส่เรื่องของความขยันขันแข็งเราจะใส่เรื่องของการทํางานอย่างเต็มที่เราจะใส่เรื่องการดูแลมานาบิดาได้ทั้งสิ้น จะทำความดีความงามให้เกิดขึ้นในใจตรงนี้ได้ในวันนี้ครับท่าชาพระไปบุญอภิปุโนจากวัดป่าอรโชเขาขอลาไปก่อนในพูดถึงเรื่องของบาปกรรมหนือ16อย่างที่เราละได้แล้วจะเป็นการเปิดโลกเป็นทางที่ให้จิตของเราเดินทางไปสู่สิ่งที่สูงขึ้นเจริญขึ้นได้เจริญพร